เมื่อพัณนาความมูมาณะและความโมโหมายืดยาวก็คิดอยากจะนำเรื่องของพระธุดงคกรรมมาทานท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นกลางของท่านอาจารย์มั่นมาลงให้ท่านได้อ่านบ้างพอเป็นเรื่องประกอบกับธรรมบทว่าความมูมาณะกับความโมโหให้กับกิเลสของตัวเพราะท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกมีนิสัยหนักไปทังธรรมะสองบทนี้มาประจำปฏิปทาจนถึงสมัยปัจจุบันคือทุกวันนี้ แต่ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นพระสําคัญองค์หนึ่งพอเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นใครก็ทราบกันแทบทั่วประเทศไทยแต่ขอสงวนนามดังที่เคยเรียนแล้วเพราะเป็นปฏิปทารวมพระธุดงทั้งหลายที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยเด็ดเดียวเอาจริงเอาจั ง, าจงมาตั้งแต่เป็นคารวาสเวลาบวชจึงมีนิสัยนั้นติดตัวมาด้วย ยิ่งบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาจริงและสั่งสอนคนให้ทำจริงในสิ่งที่ควรด้วยแล้วท่านยิ่งรู้สึกทราบซึ้งในหลักธรรมมากขึ้นโดยลำดับก่อนบวชทราบว่าท่านเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่เกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏมุ่งจะบำเพ็ญตนให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันถ้าไม่ตายเสียในระหว่างฉะนั้นพอบวชแล้วจึงเที่ยวเาสาะแสวงหาครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญทางจิตตะภาวนาตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐานก็ทราบว่าท่านเคยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจน า, นานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นคารวทว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยเป็นนานแล้วใลายจะบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไร ก็ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามใจหวังได้บ้างว่าการบำเพ็ญภาวนาทำให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบำเพ็ญภาวนาถ้าใครยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบ้างว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระทูดงฆกรรมฐานกันหรอกนอกจากพระทูดงฆกรรมฐานที่จําหน่ายตะกรุดคถาวิชาอาคมของขลังต่า ง, า ง, างเช่นพวกเสนยาแฝด อยู่โยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระธุดงคขกรรมาฐานที่ดำเนินตามทางพระธุดงนั้นไม่มีแล้วสําหรับทุกวันนี้อย่าไปทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสซ่อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบาเพ็ญธุดงควัดในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสาหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใคร แต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันปล่าเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็นเจ้าของศาสนามิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานและมิได้เป็นผู้มีอำนาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว กับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันเท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมาฐานด้วยอุบายต่างๆนี้มีใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกิริยาท่าทางที่แสดงออกก็ <c oughs> พอทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคน่านมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคากีดกันห่วงห้ามใดๆที่แสดงออก จึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานโดยทายเดียวในไม่ช้านี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกำลังความสามารถขาดดินสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศ เมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินทุดงในท้ำกลางประชาชนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่กำลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้นเวลาจะไปท่านพูดสั่งเสียด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตราบนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจาคำนี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะไม่ลืมเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้วท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่หญทั้งคารวะที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักรา ช, ราชบัณฑิต พูดขัดค้านกีดกันกันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระยิมยิ้มย่องอยู่ภายในใจราวกับจะออกแสงแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงละ่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี่ไงละ่ะพากันเห็นหรือยัง จะพากันมัวประมาทค่าว่าจะไปเป็นบ้าลูกคลาอะไรต่างๆนั้นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมิได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกวาดรวบเข้ามาม่วนสมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าเรากับมาตายอย่างไรกันใครยังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพากันตายอยู่เวลานี้ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือล้ออยู่เลย ตายแบบนี้ข้าเคยตายมาแล้วจนไม่สามารถจะพนานาปราชาของตนได้แม้ไม่รู้ด้วยญาณข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางพระาธาตุพนมเดินบุก ป, ป่าฝาดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเกวียน เพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่างนอกจากทางเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มากสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกคนทุกแห่งเราไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้ เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางตั้งวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคนอุตสาเดินบุก ป, ป่าฝ่าดงมาจนถึงพระธาตุพนมลุกถึงอุดรห น, นองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบอ่อได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลย เรานั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้โอวาสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบาเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวทุดงคักรรมฐานไปเรื่อยๆตามลาแม่น้ำโขงจนลุถึงเชียงใหม่และเที่ยวบาเพ็ญอยู่ตามอำเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบาเพ็ญแต่ละแห่งนั้น ล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลิดตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ท่านก็พยายามตามท่านยังไม่ลดละจนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆแต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียว ท่านว่าท่านก็พยายามไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในลราวจำเป็นเมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อธรรมท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจำเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อข้องใจแล้ว ก็กราบลาท่านไปบำเพ็ญตามลำพังมีการเข้าๆออกๆอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจำพรรษาด้วยรู้สึกดีใจเหมือนตัวจะลอยที่พยายามมาหลายปีพึ่งสําเร็จจากนั้นก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กำลังขึ้นเป็นลำดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว พร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมะที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุ่มลุ่มดอนดอนของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลดิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอ